รู้จักพุทธมนต์จริงก็จบพระพุทธศาสนาที่เล่าเมื่อกี้นี้เป็นเรื่องราวในสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากซึ่งอยู่ในช่วงเวลาสามศตวรรษแรกแต่หลังจากนั้นพุทธศาสนาในอินเดียก็ประสบภัยถูกเบียดเบียนเรื่อยมา บอกแล้วว่าพวกพราหมถือตัวว่าเป็นวันน้าประเสริฐสูงสุดเป็นเจ้าคำภีที่พระพรมทรงลิกิจชีวิตคนและสังคมไว้และพราหมก็ได้ผลประโยชน์ทุกอย่างจากอำนาจในฐานะของตนแต่เมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เลิกถือวันน้าให้เลิกบูชายันให้รู้ว่าคนมีชีวิตที่เกิดมาตามเหตุปัจจัยของธรรมชาติไม่ใช่เกิดจากพระพรหมสร้าง และมนุษย์สามารถฝึกศึกษาพัฒนาตัวให้ดีเลิศประเสริฐได้เหนือพระพรหมนี่ก็เท่ากับโคน ล, ล้มพราหมณ์ลงทั้งหมดแต่ก็พราม์นั่นแหละจำนวนไม่น้อยที่ใจดีมีปัญญาได้ฟังพระพุทธเจ้าแล้วก็เห็นตามที่พระองค์ทรงสอนและสละวันพระพราหมณ์ออกมาเป็นพุทธสาวกช่วยพระพุทธเจ้าสอนประชาชนให้รู้เข้าใจความจริง และดำเนินชีวิตนำทางสังคมอย่างใหม่เรื่องราวความเป็นไปอย่างที่ว่ามานี้ทำให้พวกรามที่ยึดถือมั่นไม่พอใจบางก็ถึงกับหาทางกำจัดพระพุทธศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งการบูชายันเป็นหลักปฏิบัติใหญ่เป็นที่ใช้อำนาจศิทิขาดและเป็นที่มาของผลประโยชน์มากมายของราม เมื่อพระพุทธศาสนาสอนว่าการบูชายันไม่มีผลและสอนคนให้เลิกบูชายัญพรามก็ยิ่งผูกความแค้นเคืองอันไวจนถึงยุคหลังๆต่อมาพรามใหญ่ที่ออกมาเป็นฮินดูทั้งหลายทั้งสายไวยสนพที่นับถือพระวิษณุพระนารายและสายสายวะที่นับถือพระศิวะอีสวนก็พากันพุ่งเป้า มาที่จะต้องกำจัดพระพุทธศาสนาลงให้ได้เริ่มแต่ในยุคแรกในสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชพุทธศักราช2 1 8ถึง260ที่ทรงนับถือพระพุทธศาสนาอำนาจและอิทธิพลของพราหมยยิ่งน้อยลงพระเจ้าอาโศกถึงกับทรงให้เขียนประกาศในศิลาจารึกห้ามทําการบูชายันด้วยชีวิตไม่ว่าสัตว์ใหญ่น้อยชนิดไหน นี่คือทำให้พรามขัดใจแค้นเคืองมากแต่ในเวลาเดียวกันเมื่อพระเจ้าอาโศกไม่ทรงถือวันนะพรามซึ่งเป็นคนชั้นสูงเจ้าคัมภีร์ก็เข้ามารับราชการเป็นใหญ่เป็นโตโดยสะดวกเหมือนรอเวลาที่จะเอาคืนเมื่ออังกฤษเข้ามาครองอินเดียเป็นอาณานิคมก็ใช้อำนาจบังคับห้ามเอาคนเอาเด็กเอาสาวพรมจาีมาบูชายัน จนถึงรัฐบาลอินเดียสมัยปัจจุบันก็มีกฎหมายห้ามแต่ขนาดมีกฎหมายให้ลงโทษอย่างแรงก็ยังมีการลักลอบเอาเด็กหญิงโปรมาจารีไปบูชายันสังเวยเจ้าแม่กาลีนี่คืออำนาจความเชื่อแบบพรามเวลาผ่านมาแค่ราวหนึ่งศตวรรษถึงรัชการพระเจ้าพลือหัทรถที่เป็นนัต ด, ดาหรือปนั ด, ดาของพระเจ้าอโศกมหาราช พวกรามก็ได้โอกาสโดยพรามชื่อว่าปุทสยมิทซึ่งเข้ามารับราชการจนได้เป็นเสนาบดีได้วางแผนปลงพระชนในพิธีสวนสนามล้มโมริยาวงของพระเจ้าอาโศกลงในราวพุทธศักราช356หแล้วพรหมามปุทสยมิทก็ขึ้นเป็นราชาตั้งราชวงศ์ใหม่ชื่อว่าสุงคะ ราชาปุตสยามิตรได้รื้อฟื้นการบูชายันขึ้นมาโดยทําพิธีอสวาเมธคือการฆ่าม้าบูชายันอย่างยิ่งใหญ่และทําลายพระพุทธศาสนาโดยเผาวัดกําจัดพระภิกษุสงฆ์ถึงกับให้ฆ่าศีรษะแก่ผู้ฆ่าพระภิกษุได้รูปละหนึ่งรอยทีนาแต่ปุตสยามิตรคงทําลายได้ไม่เต็มที่เพราะแว่นแขวนแตกแยกออกไปบางถิ่น ก็ยังบำรุงพระพุทธศาสนาเช่นพยามิลินหรือเมนันเดอร์กษัตริย์พุทธแห่งแควนโยนกหรือแบกเทียซึ่งของราที่เมืองสาคละหรือสากละในปัญจา ป, ปัจจุบันก็เป็นองค์อุปธรัรมพกสำคัญต่อมาอีกราวเจ็ดร้อยปีในพุทธศักราช1 0ึ่สเศษที่เมืองสาคละนั่นแหละกษัตริย์มิหิราคุละหรือมหิราคูละ ซึ่งเป็นชนเผ่าหั่นขาวหรือหูนะที่บุกเข้าอินเดียมาทางอิรานและอัฟกานิสถานได้ขึ้นครองราชอยู่ในศาสนาพราหมณ์โดยเป็นฮินดูนิกายไสวคือนับถือพระศิวะหรือพระอิศวรได้ทำการร้ายตามที่พระถังซัมจังเขียนเล่าไว้ว่ามิฮิรากุละได้สั่งให้กำจัดพุทธศาสนาให้หมดสิน้นจากดินแดนของพระองค์ทุกแห่ง แต่มิฮิรากุละถูกตอบโต้โดยพระเจ้าพาลาทิตกษัตริย์ราชวงศ์คุปตะแห่งมคธล้วทำสงครามกันมิฮิรากุละถูกจับได้และขังไว้ต่อมามิฮิรากุละหนีได้ไปลี้ภัยอยู่ในแคว้นกัสมีระคือแคเมียแลร์สังหารกษัตริย์กัสมีระเสียขึ้นเป็นกษัตริย์เองเรารือฟื้นแผนการกำจัดพระพุทธศาสนา โดยล้มล้างพระสถูปทั้งหลายทำลายวัด 1,600 วัดสังหารพุทธศาสนกชนเก้โกรธแต่ในที่สุดได้กระทำอัตวินิบาตกรรมโดยโจรเข้ากองไฟต่อมาอีกหนึ่งปีราวพุทธศักราช 1,150 สาสางกะซึ่งอยู่ในาศาสนาพราหมณ์นั่นแหละโดยเป็นกษัตริย์ฮินดูนิกายไซวาเช่นเดียวกันครองราชในแคว้นขาวั ในเบงกอปัจจุบันภาคกลางได้ปลงพระชนกษัตริย์พุทธพระนามว่าราชยะวันธนะแล้วทำลายพุทธศาสนาอย่างมากมายแม้แต่เหรียญเงินตราของกษัตริย์นี้ก็เขียนกำกับชื่อราชาไว้ว่าผู้ปราบพุทธศาสนาพระถังซัมจังเขียนบันทึกไว้ว่าสังสังกะได้สังหารพระภิกษุในแถบกุสินาราคือกุสีนครหมดสิน้น ทำให้ท่งพินาศไปและเป็นราชาที่ไปโค่นต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พุทธคยาลงและขุดรากขึ้นมาเผากับทั้งนําเอาพระพุทธรูปออกไปจากพระวิหารทางทิศตะวันออกของต้นพระศรีมหาโพธินั้นนําเอาศิวลึงเข้าไปไว้แทนนอกจากนี้นักบวชไสวที่สาคัญคือกุมาริละและสังกราจานก็เที่ยวสั่งสอนโจมตีพระพุทธศาสนา และไม่เท่านั้นเมื่อเดินทางไปไหนก็พยายามชักจูงชวนกริย์และคนชั้นสูงที่มีอำนาจให้เลิอกอุปธรรมบำรุงวัดและพระพุทธศาสนาและสุดท้ายราวพุทธศักราช1749กองทัพมุสลิมเติร์กก็บุกย่ำทำลายล้างพระพุทธศาสนาหมดสิ้นจากอินเดียที่เล่ามานี้เป็นตัวอย่างให้เห็นภัยอันตราย ที่ทำให้พระพุทธศาสนาเสื่อมสลายทีนี้ก็มาดูเหตุการณ์สำคัญเมื่อใกล้ก่อนถึงพุทธศักราชหนึ่งพันจะได้เห็นว่าเวลานั้นในอินเดียพระพุทธศาสนาก็โทมหนักแล้วการเล่าเรียนศึกษาธรรมวินัยอ่อนกำลังทำได้ยากมีเรื่องว่าเมื่อราวพุทธศักราช956ที่อินเดียณถิ่นใกล้เคียงต้นมหาโพธิตรัสรู้นั่นเอง ในบ้านพราหมณ์ครอบครัวหนึ่งมีเด็กฉลาดเกิดขึ้นชื่อโคสะมานบน้อยนี้เรียนจบตรยเพศเก่งกล้าในศิลปศาสตร์ทุกอย่างและเป็นเจ้าวาทะจึงได้เดินทางไปในคามนิคมนครราชธานีทั่วชมพูทวีปเที่ยวถกเถียงทางวิชาการไปทั่วจนมาถึงวัดหนึ่งยังไม่พบใครถึงราตรีก็สาธยายคำสอนของปตัญชลี ผู้แต่งโยคะสูตรพระมหาเทราที่วัดนั้นชื่อเรวัตได้ยินฟังแล้วก็รู้ว่าเขาเป็นคนเก่งมากคิดว่าควรจะให้เขารู้จักธรรมจึงแกล้งพูดว่าใครหนอมาร้องเสียงอย่างกับลามานพถามกลับมาว่าท่านรู้เข้าใจความหมายในเสียงลาหรือพระเทระตอบว่ารู้มานพจึงซักถามตามหลักวิชาของพราหมณ์ ตั้งแต่ไรเพศพระเถระก็ตอบได้หมดเสร็จแล้วจึงขอเป็นฝ่ายถามบ้างด้วยถามเรื่องประมต ธ, ธรรมตามในย่าแห่งอภิธรรมมาติกาในพุทธครรุสพปวติกถาท้ายคำพีวิสุธทธิมักฉบับอักษรไทยคำถามของพระเถระที่นี่ตรงกับในเรื่องของพระโมคคัลีบุตรติสเถระในสมันตปาสาทิกา ถ้าจะมีความพลังเผย อ, อะไรสักอย่างจึงขอเล่าพอเป็นเขาตามคำพีศาสนาวงมานพตอบไม่ได้จึงถามว่าเป็นเรื่องอะไรพระเทระก็ตอบว่าเป็นพุทธมน์มานพ ก, ก็อยากเรียนแล้วก็ได้บรรพชาแล้วก็อุปสมบทและศึกษาพุทธพทธจนจบพระไตปิดกมีชื่อเสียงปรากฏว่าเป็นพระพุทธโคสะ พระพุทธโคสานี้มีปรีชาสามารถมากจึงคิดแต่งตำราเริ่มด้วยคำภียาโนไทยเสร็จแล้วก็จะแต่งอัตถกถาอภิธรรมพระอาจารย์คือพระมหาเทระเรวัตจึงบอกให้รู้ว่าในชมพูทวีปนี้มีเหลือแต่พระไตรปิฎกบาลีเท่านั้นไม่มีอัตถกาถาและคำภีอื่นๆแต่ในสิงหลนทวีปมีอัตถกถาที่พระมหินท่าเทระจัดรวบรวมไว เป็นภาษาสิงหนซึ่งยังสืบกันมาขอให้พระพุทธโคสะไปที่สิงห์นทวีบนั้นสำรวจดูลาแปลกลับมาเป็นภาษามาคตคือภาษาบาลีก็จะก่อเกิดประโยชน์แก่คนทั่วโลกด้วยเหตุนี้พระพุทธโคสะจึงได้ลงเรือเดินทางไปลังกาทวีปเข้าไปอยู่ที่มหาวิหารในเมืองอนุราทปุระและได้ขออนุญาตสังฆะที่นั่น ในการที่จะแปลอัธกถาภาษาสิงหลกนกับมาเป็นภาษาบาลีมคตเพื่อ น, นำกลับไปใช้ที่ถิน่นแดนเดิมในชมพูทวีปทั้งนี้มีเรื่องราวยืดยาวเริ่มตั้งแต่ทดสอบความสามารถด้วยการแต่งคำภีวิสุทธิมักแล้วได้รับอนุญาตให้แปลอธธัธกถาจนในที่สุดก็สำเร็จจบสิ้นตามปรารถนาและนำกลับมายังชมพูทวีป อย่างที่เรามีอัตถกถาภาษาบาลีซึ่งใช้ประกอบการศึกษาพระไตรปิฎกอยู่ในบัตรนี้ขอให้เข้าใจว่าพระพุทธโคส า, าจารย์เป็นผู้เริ่มต้นยุคอัตถกาถาที่กลับมีเป็นภาษาบาลีมคตขึ้นใหม่ท่านได้จัดทำอัตถกาถาขึ้นเป็นส่วนใหญ่แต่ไม่ถึงกับครบบริบูรณ์มีพระอัตถกถาจารย์รูปอื่นๆทาส่วนที่ยังขาดอยู่จนเสร็จสิ้น ในระยะเวลาใกล้เคียงกันนั้นและต่อจากนั้นไม่นาน